เป็นบวชวันปาิโมเป็นวบวชที่เท่าไหร่จะจําได้เปล่ามันเป็นดับเดือนห้าใช่ไหมเป็นวันดับเดือนหา้าแต่เดียวดับเดือนหา้าแล้วเนยจะขึ้นเดือนหกละบวช ต, ต่อไปก็วิสาขะละวิสาขาบูชาวันที่ดูมันจะสิบเจ็ด วิสิทธิ์เจดวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาก็ถือว่าประดมให้มีการวิสาขาบูชาทั่วทั่วโลกนะโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยเป็นสาคนไปเลยวิสาขาบูชา มันเป็นเดือนหกมันตรงนี้รดับเดินห้าดับเดือนห้าแ น, นี้ตกหนักพอได้มีน้ำมัตนตกพอชุ่มเย็นนิดหน่อย่วันนี้ก็ตกหนักพอสมควรอยู่บนนี้มัตนตกพอได้ชุ่มเยียนมันก็ร้อนต้นไม้ ก, ก็พอได้รัดใบไม้ไผ่ ก็พอได้รัดใบไม้อย่างอื่นที่นี่ก็พอได้รัดใบไม้น้อยเรานี่ก็แต่ให้เขาเต่งใส่ปุ๋ยเลยที่เราไปปลูกแซมแต่ตรงไม้ลายมันตายยังมีอีกหลายแห่งที่เรายังปลูกแซมไม่หมดปลูกป่าไม่จบไม่หมดเนไม่วันแล้ว ปลูกตรงนั้นอย่างตรงนี้ปลูกตรงนี้ยางตรงนั้นแต่ก็โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชั้นล่างก็น่าจะหมดใกล้จะหม ด, นะหมดนะยังมีบางส่วนไม้ไร่ยังไม่ตายมันตายมันตายขีตายไม่พร้อมกันบางส่วนก็ตายบางส่วนไม่ตายปลูกไม้เสริมเข้าไปบางแห่งก็เราปล่อยให้ขีดขึ้น ขีี่มึงขุยลงน่ะขุยไผ่มันขุยลงก็คือมันออกหนอกมันออกหนอกออกมาแล้วมันก็ร่วงออกหนอกออกมาแล้วก็ร่วงมันก็ตายไม่ไผตายเสร็จแล้วมันก็มีหมากมันก็จะขึ้นมีปุถุผลถูกอะไรขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นดีล่ะบางแห่งเราก็จะปล่อยมันขึ้น เป็นป่าของไม้ไม้ไร่เป็นป่าไม้ไผ่เพราะป่าไม้ไผ่ก็เป็นประโยชน์เยอะมีห น, นองีอะไรเป็นกองเป็นเงาบางลิ้มกันป่าทุอดูแลป่าต้งสงวนป่าทุอดูแลป่ า, ปาไม้ที่สําคัญไม้มะข่านี่ก็ดีอยู่นะไม้มะข่า ยืดตัวเร็วนะ่ะเนดูแถวเนี้ยแถวทางข้ามม้วยตรงนี้ไปนูนมันเป็นอุโมงกันนะแถวนะั้นโตเร็วสิบกว่าปีโนะตโตลำต้นไม่งามดอกสสยว่ามันโตขึ้นมามีใบมีกิง่งมีก้านยืดมาดีหมดแล้วนนะพอได้อาศัยเป็นโรงเงาไม้มงคากับไม้ประดู่ ปล่อยเร็วปล่อเร็วไม้มะข่ากับไม้กรดูบพอใกล้ๆจะหมดฝนมันมันทิ้งใบมะใบมนร่วงหมดทั้ไม้มะข่าทั้งไมดูมันทิ้งใบมันทิ้งใบสามเดือนสี่เดือนนะกว่าจะออกอีกแต่พอถึงคราวออกมันจะออกก่อนหมู่มันทิ้งก่อนหมู่ แต่ระยะยาวพอควรนะความนะมันจนะมันไม่ใช่ทิ้งปุ๊บขึ้นปั๊บมือนตัวนี้เนี่ยเหมือนพว ก, มกไม้แดงเหมือนพวกนี่ไอ้ไม้เนี่ยปีนึงเขาลัดใบรู้กี่ครั้งเนี่ยไม้สาระอยู่ตรงหน้าตลาดเนะี่ยทิ้ง อ, อ่ะทิ้งหมดเลยใบเล็กใบใหญ่ใบอ่อนทิ้งหมดถึงคราวเขาทิ้งนะแล้วก็ขึ้นบึดเดียวปุ๊บเดียวนึงอาทิตย์เต็มหมดจน ก็สเปลี่ยนของมันตามนิสัยของมันตามธรรมชาติของมันต้นไม้ต้นไม้สังขารสังขารของต้นไม้สังขารไม่มีใจครองสังขารก็คือส่วนต่างๆมาประกอบกันสรุปลงแล้วก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกัน ก็เป็นสังขารต้นไม้แต่มันไม่มีใจครองต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีใจครองมีแต่สัญชาตญาณ น, นิดหน่อยสัญชาตญาณของมันก็เป็นไปตามนิสัยของมันอะไรยืดตัวออกหาหาแดดยืดตัวออกหาแสงอาศัยแสงเจริญอาศัยแสงปรุงอาหารอาศัยแสงเจริ เราจะเห็นว่ามันยืดตัวออกไปเพหาแสงแต่ถ้าปลูกในที่อยู่ในที่มิดชิดมีใบยังเงินคลุมหมดเนี่ยมันขึ้นยากเจริญยากนะเป็นไม้มันไม่มีส่วนไหนที่จะรับแดดมันเจริญไม่ได้นี่มันก็เป็นวิสัยของมันมันก็เป็นสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นสังขารที่มีใจครองสังขารรูปสังขาร น, นาม เป็นสังขารที่มีใจครองสังขารโลกก็เกิดขึ้นจากอำนาจของความอยากสังขาร น, นามก็เกิดขึ้นโดยอํานาจของความอยากความอยากเลยเป็นเจ้าครองโลกความอยากคือตัณหากามตัณหาภาวะตัณหามิภวะตัณหาความอยากเมื่อเช้านี้มีการบวชเนี่ยตอนสายบวช เรากพยายามอธิบายแต่ความอยากนี้พวกนั้นเข้าใจพยายามอธิบายความอยากความอยากอย่างหนึ่งที่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมของกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับต่างๆความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจแบบนี้ไม่ผิดกรอบระบบระเบียบศีลธรรมเนี่ยเป็นความอยากหนวยทำให้ทําไปตั้งใจทําไปได้ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรดอก แต่ถ้าเป็นความอยากความอยากที่ออกนอกกรอบชอบออกนอกกรอบอยากในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอยากในสิ่งที่ผิดกฎหมายระบบระเบียบข้อบังคับของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีความอยากทั้งหมดี้ส่วนมากมันจะเป็นความอยากที่ปีนเกลียวกับธรรมคือมันเป็นพลังความอยากเรื่อหนาจของกิเลสี่เราต้องระวังเราสังเกตสออย่างเนี่ย อยากยังไงอยากจะเป็นจะตายแต่ว่ามันผิดศีลผิดธรรมให้พยายามกำหนดรู้สงบระ ง, งับมันเพราะเรื่องความอยากที่นอกศีล น, นอกธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องความอยากของกิเลสทั้งรุ่นเลยภายในจิตของเราเนี่ยทุกคนทุกท่านทุกโลกทุกนามนความอยากฝ่ายกิเลสเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าืมเ่อกจาเราฝึกหัดน้อยปฏิบัติน้อยฝึกหัดน้อยตั้งใจฝึกหัด ปฏิบัติดัดแลงจิตของตัวเองน้อยอความอยากของกิเลมนจึงรุนแรงตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตจิตมันดิ้นรนดิ้นรนด้วยพลังของมันคือพลังความอยากนั่นแหละมีตาก็อยากดูมีหูก็อยากฟังมีมีจมูกก็อยากดมอมีลิ้นก็อยากรสมีกายก็อยากสัมผัสนะ่ะ สัมผัสบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสไปแล้วชอบใจนะนี่ก็นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่สัมผัสไปแล้วไม่ชอบใจนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกอมันเอาความชอบใจความไม่ชอบใจไปเก็บไปสะสมไปปรุงแต่งไปเกิดปฏิอิริยาที่ใจนี่คือมนุษย์เราสังิาิที่มีใจครอิิิิิิริิิานนาิิิิิิิิิ เมือ่อมีสังขาร น, นามโดยเหตุที่สังขาร น, นามยังมีกิเลสเคลือบแฝงมาอยู่สังขาร น, นามก็พยายามไปปรุงแต่งให้เกิดรูปกับนามสังขาร น, นามก็พยายามปรุงแต่งให้เกิดรูปกับนามวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปนี่แหละวิญญาณเท่นี้แหล ะ, ญญ ะ, หละมันเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นแหละ มันก็เลยเปนเหตุเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือสังขารแหละรวมแต่งกันประกอบกันสังขารมาตั้งแต่ผู้รู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมีผู้รู้กับมีกิเลสเกี่ยวข้องกันมารวมบวกกันแล้วเป็นสังขารก็ผลักดันออกมาเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณคือวิญ ญ, ญาณธาตุเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณธาตุเป็นปจัจจัยเกิดนามเกิดโรค ดิ้นรนหาที่เกิดอวิญญาณตัวนั้นนะดิ้นรนหาที่เกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้รูปเมื่อมีรูปมาแล้วก็ต้องมีอายตนะคือเครื่องต่ออายตนะแปลว่าเครื่องต่อมีตามีหูมีจมูกมีเลี้ย ม, มีกายแล้วก็มีใจมีเครื่องต่อในภายในเครื่องต่อในภายนอกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโพธิัพคือธรรมรมอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นหลักของธรรมชาติ ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลสคือความอยากที่มียศภายในจิตของสัตว์ของคนมันจะมีความอยากตัวนีเน้เป็นตัวนํานําไปอะไรนาไปเกิดนําไปปฏิสน ธ, ธิเกิดตามอํานาจของกรรมกรรมดีปานกลางกรรมเรวที่สุดกรรมดีปานกลางกรรมสูงที่สุด กำดีกำหยาบกาละเอยะยะียดประนีตละเอียดประนีตขึ้นไปสูงสุดกมที่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์กมขนาดไหนพอจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาบัตรเป็นมนุษย์ในอัตภาพความเป็นมนุษย์เมื่อมองปฏิสนธิในท้องของมนุษย์ทุกอย่างก็จะพัฒนาปรั บ, ป ร, บปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามอัตภาพความเป็นมนุษย์ในท้อง 78, เจ็ดแปดเดืนอนเก้าเดือนก็ออกมา ออกมาก็ได้ได้รับความเป็นมนุษย์สังขารต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครไปปรุงไปแต่งไปปั้นไปอะไรแหละมันออกมาเป็นรูปร่างของคนหรือไม่ก็ออกมาลักษณะรูปปั้นของสัตว์ทั้งรูปคนทั้งรูปสัตว์มีกรรมกําหนดมีกรรมเป็นตัวกําหนดมีกรรมเป็นตัวควบคุมไม่มีใครไปเป็นช่างปั้นแต่งให้มันอกกรรมเป็นช่างปั้นแต่ง ปั้นแต่งกิริวกิเรก็อาศัยกรรมปั้นแต่งปั้นแต่งให้สวยงามละเอียดประณีตก็อาศัยกรรำปั้นแต่งละเอียดขึ้นไปมากกว่ามนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นละเอียดขึ้นไปอีกกับนึงเป็นชั้นละเอียดขึ้นไปสูงสุดใช้กำปั้นปั้นให้มีความสวยประณีมละเอียดขึ้นไปโดยลําดับแท้งกิงกรรำจะยาวหรือกรำจะละเอียดก็ขึ้นอยู่กับอํานาจของกำนั่นแหละ กรรมหยาบก็ทําให้ได้กายหยาบกรรมละเอียดก็ทําให้ไดก้กายละเอียดกรรมประณีก็ทําให้ได้ได้กายประนีกกายจะหยาบจะละเอียดจะประณีตได้ตามอํานาจของกรรมที่มีอยู่ภายในใจอ่าเพราะอัตภาพของมนุษย์ก็ตามอัตภาพของสัตว์ก็ตามทําทั้งกรรมดีและทําทั้งกรรมไม่ดีโดยเหตุที่ทำำํากรรมทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี ก็ทําให้เราได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างได้รับความทุกข์บ้างไรับความสุขบ้างก็สุขสุขทุกทุกทุกทุกสุขสุสุขสุขิบริยู่นี่แหละไม่จบดอกแต่ถ้าเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็มีธรรมําขั้นระดับมนุษย์เสียธรรมทาให้เราได้มรรคดเป็นมนุษย์ชาติพบชาติของมนุษย์เป็นพบชาติถ้ำกลางนะฮประสาทมันสมองอะไรพอที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนสัต์ สัต์พัฒนาไม่ได้พัฒนาได้ยากไปดูสัตว์ที่เขาไปฝึกเล่นละครไปดูปาโลมาเนี่ยเขาฝึกท่านหนึ่งเขาต้องให้อะไรรางวัลมันให้เหยื่อปลาตัวหนึง่งฝึกอีกท่านหนึ่งก็ได้ปลาตัวหนึ่งหรือสองตัวต้องมีเหยื่อล่อทุกครั้งปลามันถึงมันถึงจะทําไปตามที่เขาที่เขาต้องการให้มันเป็นนี่ก็เพื่อที่จะล่อใจคนได้สตตังเข้าไปชมแล้วก็ได้ ได้เฉดต่างสัทั้งหลายมันทำก็ฝึกมันก็ได้เห็นนั้นแหละมันพัฒนาไปไม่ไม่ง่ายเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์พัฒนาให้ดีถึงที่สุดก็ได้พัฒนาถึงที่สุดในอัตภาพนี้ก็ได้เห็นโทษเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารพัฒนาเรียนทำศึกษาธรำละเอียดตั้นี้ขึ้นไปโดยลําดับเห็นโทษเห็นภัยของวิริยะสามารถเร่งความเพียนให้พ้นจากเกิดแก่เก็บตายไปได้พน้พ น, พนทนุกพ้นโทษไปได้ ตั้งใจพัฒนาละเอียดตอนนี้เพื่โดยลำดับได้ถึงที่สุดได้ถ้าจะพัฒนาตัวเองให้ต่ำสุดต่ำลงไปถึงอเวจีมหานรกเหมือนอย่างพระเทวทัตก็สามารถจะพัฒนาไปได้ในอัตภาพความเป็นมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์น่อยู่ในภพชาติทรามกลางที่สามารถจะพัฒนาให้มีได้ให้เปลี่ยนได้แต่ถ้าหากกําหนักเป็นเหตุให้เราวิกฤตวิกการบ้าดใยเสียจริญผิดมนุษย์ ก็เอาไปพัฒนาไว้ได้ยกเว้นว่ามีจิตมีจิตมีสติมีสัมปชัญญะตามปกติเราจึงสามารถจะเอามาพัฒนาได้ความฉลาดความโงอกภายในจิตก็เกิดขึ้นมาจากอํานาจของกรรมเกิดขึ้นมาจากอํานาจของกรรมเหมือนอย่างพระจุลบันทกนั่นแหละท่านมีกรรมท่านเรียนคาถาหนึ่งภาษาก็จำไม่ได้นะคาถาแค่สีแถว ตลอดทั้งภาษาเรีนไม่ได้จาไม่ได้เรียนไม่ได้จำไม่ได้เดดขามีกรรมก็เพราะกรรมอันหนึ่งทำให้ท่านจำไม่ได้เพราะตลอดภาษาก็าจำไม่ได้พี่ชายเบื่อนายํำคาญ้วยทรมานนะมีวันหนึ่ง อ, ออกภาษาแล้วหมอชีวกนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดนในวัดห้าร้อยไปฉันพัทหารที่บ้านสวนที่บ้านสวนของหมอชีวกบุติเจ้าก็ เสด็จไปฉันด้วยนี่พระมหาบัรรทกท่านเป็นปฐุเทศเป็นผู้แก่พระถึงผู้แก่พระไปในที่นิมนต์ก็เลยเหลือไม่จัดน้องชายที่เป็นจุลบรรถกให้ไปห น, น้องมันให้ไปหมดนิมนต์ไปหมดไปฉันที่บ้านหมอฉีวบอกเลยจุลบรรถกจุลบรรทกเลยน้อยใจพี่ชายดัดทรมานนะก็เลยเสียใจน้อยใจจะหนีไปศึกจะวิ่งไปศึกแต่ว่าความนึกคิด ทั้งหลายนั้นอยู่ในขอบไข่ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพอรูงเช้ามาพระองค์งก็เลยไปิดดับกําลังจะออกไปหลังวัดเนี่ยจะออกไปสึกเธอไปไหนจุลบรรทกจะไปสึกก็เพราะว่าพี่ชายไม่เห็นดีด้วยอพี่ชายอยู่วัดคนเดียวน้อยใจอ้าวเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายเธอเนี่ยนะเธอเธอบวชอุทิตเพื่อเรามานี้อืมพุทธเจ้าเรียงมาเป็นรูปวอนิมิตนะ ลุริเจ้าท่านทรงแสดงรู ป, ปนิมิตได้มาแล้วก็นเนรมิตรผ้าให้ผ้าขาวให้นี่เธอให้เธอเอาไปมือลูบแล้วก็บริกรรมบริกรรมผ้าขาวเลยนะอเอาผ้าขาวเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนที่จะสอนให้จำคาถาเนะ่ยไม่สอนละสอนให้บริกรรมเพื่อทํางานให้ถึงที่สุดจุลปันถูกบริกรรมไปเรโชระนังเรโชระนังแล้มือก็โลูบไปลูบไปลูบไปผ้าขาวผ่องที่พระริเจ้าเนรมิตให้แนละ้ เริ่มหมองลงหมองลงซาหมองลงก็เริ่มดำลงคล้ลํำลงคล้ลําลงคล้ำลงพิจารณาไปพิจารณาไป ย, ย้อนมาเอมันมันไม่ได้ดำอะไรอย่างไรมันดำมาจากมือของเราเนี่ย อ, อ, อ, อ้มือของเราเนี่สกปรกอ่ามือของเราเนี่สกปรกได้ปฏิกูลสัญญานะไดอารมณ์ของกรรมฐานได้ปฏิกูลสัญญาแค่นี้จิตมนก็ปลื้มปีติสงบเยือกเย็น มันพร้อมมันตั้งมั่นมันพร้อ ม, ม, อมที่จะทํางานให้ละเอียดขึ้นไหมไปมากกว่านั้นได้เป็นอารมณ์กรรมฐานจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงนิรมิตอารมณ์ของวิปัสสนามาก็เลยพิจารณาไปตามนั้นมันเข้าลักษณะให้จิตเข้าถึงลักษณะของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าจุลปันถกได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเป็นจิตประเภทบรรลุธรรมประเภทพลิกจิตท้าเรียกว่าพลิกจิต บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตนนั้นแทบเดียวได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมความเป็นพระอรหันต์นั้นต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดเนี่ยจะบรรลุไม่ได้จะข้าไม่ได้แต่ด้วยกรรมที่สร้างมามันแตกต่างกันนะท่างแตสร้างกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันและกรรมอันหนึ่งที่มาคอยกดถ่วงท่านให้ท่านจําไม่ได้ก็เป็นกรรมอีกอันหนึ่งว่าสมัยก่อนนั้นท่านเคยทําให้หมู่ภิกษุด้วยกันเนี่ยได้รับความอับอาย ได้รับความละอายอับอายอด้วยเหตุที่เขาท่องเขาจายากนั่นแหละอ น, นี้เขไปเรียนแบบเขาก็เลยเขาได้รับความอับอายด้วยกรรมมันนั้นแหละมาตามสนองให้ท่านจํายากจําไม่ได้แต่อันนี้สงจากการสร้างกรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมท่านก็สร้างมาอยาอ่างต่อเหนืองกันเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในวิสัยของพระศาสดาที่ท่านเล็งเห็นแล้วว่าโอค้คนนี้มีวิสัยอย่างนี้มีกรรมที่สร้างมาทํามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องได้อารมณ์กรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะได้บรรลุธรรมได้ อนเมื่อพระพุทธเจ้าให้ได้อารมณ์กรรมฐานแบบนี้จึงสามารถได้ได้ปฏิปูละสัญญาคือมีความสําคัญว่าร่างกายของตัวเองน่ปฏิปูลโสโครกกเิดความสลดใจจากนั้นแล้วก็บรรดาให้ได้ครับอารมณ์กรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาพิจารณาตามก็ได้บรรลุธรรมพลิกกิจสามารถคนคนเดียวสามารถพลิกให้เป็น หนึ่งพันคนได้มีที่เรียกว่าพลิกจิตอด้วยด้วยความรู้ด้วยอภิญญาประเภทพลิกจิตแต่มัุษุกอยู่ที่วัดนี่นะแต่พระสงฆ์ทั้งหมดะไปอยู่ที่บ้านหมอชีวกแล้วที่บ้านสวนหมอชีวกแล้วทีนี้เขาถวายเขาอังคาดพัฒนหารอะไรอะไรหมดแล้วทุกทายเจ้ายัางไม่ให้ไ ม, ไม่ไม่อนุโมทนามให้กวนพิสุอยังมีพิกษุอยู่ที่วัด ให้ไปตามให้ไปตามพิสูจอยู่ที่วัดชื่อจุลปันโตกจุลบันโตกจุลบันถกนี่เขาก็ไปเรียกหาจุลบันถกคนที่ไปตามไปแทนที่จะมีพระอยู่หนึ่งองค์มีพระอยู่เต็มวัดอ่าเพราะท่านเนรมิตกายของท่านจะเป็นพันอ่าบางคนก็กวาดบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนบางคนก็นั่งภาวนาเต็มวัดนั่นแหละก็เลยไปเรียกจุลบันถกจุลบันถกจุลบันถกหมดทั้งวัดนั่นโอ้หงอยไปหมด นะ้พอมีพระอยู่องค์เดียวนาะจุลบันถกหนึ่เตรียมวัดก็เลยกลับมาก็เลยให้ไปใหม่อ่าเรียกจุลบันถกใครขาขนก่อนก็ไปจับมือเลยไปจับมือพอไปจับมือก็หนอง น, นก็หายหมดก็เพราะอะไรเพราะ ร, ร, รูปรูปรูปริดรูปเกิดด้วยริดเห็นไหมท่องคาถาสีแถวเนี่ยตลอดทั้งภาษาจำไม่ได้แต่พระเจ้านรู้นิสัยให้อารมณ์กรรมฐานแป๊บเดียวได้บรรลุธรรม การบรรลุธรรมกิลมันเรื่องยิ่งใหญ่เพราะเป็นการชํำระกิเกลสให้หมดไปจากขันธสันดานทำให้จิตดวงนี้โผล่ออกมาสว่างสวโดวยฤทธ์ด้วยเดชด้วยอภินญาอพร้อมกับชํำระกิเกลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานนี่อันนี้คือนิสัยนิสัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกรรมเกิดขึ้นจากอานาจของกรรมเกิดขึ้นจากอานาจของกรรม ในสัตว์ในหัวใจของสัตว์ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์เป็นช้างเป็นมา้าเป็นหมาหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นสุนัขเนี่ยเขาอาจจะมีกรรมดีอย่างใดอย่างหนึ่งซ่อนเร้นอยู่แต่ด้วยเหตุที่มีกรรมที่จะม า, าบัตเป็นสัตว์นมาขั้นเป็นเหตุให้เขาต้องได้เกิดมารับกรรมของภกของชาตินี้เสก่อนบางทีกรรมในคกรรมที่เคยสร้างคุณงามความดีมาก็มีพร้อมที่จะม า, าบัต เป็นสิ่งที่ดีเป็นคนดีอาจจะมาเป็นคนก็ได้เป็นเทวดาชั้นนู้นชั้นนู้นก็ได้นะแต่อัตภาพนี้มันมีกรรมอันนี้มาขัาน้นเขาจําเป็นจะต้องมาสเวสวยกรรมเป็นชาติเป็นชาติไปคือการอนุบัติเกิดของมนุษย์ของสัตว์สิ่งที่ทําให้มนุษย์ขึ้นสูงๆต่ำตๆนั้นเกิดขึ้นจากอานาจของกรรมอํานาจของกรรมคือผลิตผลจากกิริยาของกายของวา จ, จาของใจนี่แหละใจกระดูกกรดิกไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็น มโนกรรมวาจาคำพูดกระดุกกระดิกไปอย่างใดอย่างหนึ่งพูดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นวจีกรรมกิริยาทางกายกระดุกกริกพลิ้วแปรไปทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกายกรรมการเดินของเราก็เป็นกายกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นกายกรรมที่ไม่ให้โทษไม่ให้เวรไม่ให้ภัยกับใครมันเป็นอิริยบทเป็นการยืนเป็นการเดินเดินเป็นการนั่งเป็นการนอนมันก็เป็นกิริยา กายกรรมเหมือนกันแต่กิริยาอย่างนี้ไม่มีโทษไม่เกิดโทษแต่ถ้าใครเอากายมาฆ่าสัตว์น่าเป็นกรรมแล้วเป็นกายกรรมเอากายมาลักทรัพย์เป็นกายกรรมนะเพราะการฆ่าสัตว์มีโทษมีเวรมีภัยการลักทรัพย์มีโทษมีเวรมีภัยการมาประพฤติผิดลูกเขาเมียใครก็มีโทษมีเวรมีภัยเป็นกายกรรม การเอาวาจาพูดพูดเทศพูดยาพูดซอเสียดพูดเพย์เจอมันก็เป็นกิริยาทางวาจาเช่นเดียวกันไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราเราสวดมนต์เราให้ความรู้เราท่องเราบน่นเราสวดมนต์เราไหว้พระอันนั้นเป็นกิริยาวาจาเช่นเดียวกันแต่เป็นกิริยาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นกิริยาที่เป็นไปเพื่อโทษแต่ถ้าพูดยาพูดซอเสียดพูดเพย์เจอ เป็นเวรเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องไหวกีกรรมท่านจึงให้งดอายุเวรเพราะทาไปแล้วเป็นเวรเป็นภยัยกับตัวเองได้รับทุกได้รับโทษไปกินเหล้าไปกินเหล้ า, านี่พรากินเข้าไปแล้วแอลกอฮอลมันไปนทําลายระบบประสาทสมองบันทอนสติปัญญาท่านจึงเรียกว่ากายกรรมกายกรรมกายกรรมที่ไม่ประกอบไปด้วยโทษท่านไม่ทรงบัญญัติแต่มันก็เป็นกายกรรมเหมือนกัน กายกรรมที่เป็นคุณและเป็นโทษท่านแนะให้ให้ละให้เว้นและแนะให้ประกอบเช่นอย่างาให้ละเว้นจากกายะทุจริต ป, ป, ประกอบกายสุจริตให้ละเว้นจากวจียยทุจริต ป, ประกอบวจียยสุจริตให้ละเว้นจากมโนทุจริต ป, ประกอบมโนสุจริตนะลูที่อาจารย์ทรงให้เว้นอย่างหนึ่ง ให้ละอย่างหนึ่งให้เว้นอย่างหนึ่งและก็ประกอบอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือผู้ที่รู้ต้นตอรากเงาของการสร้างกรรมบรรดาสมณะพราหม์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสมัยเดียวกันกันกบพระองค์ไม่เคยมีใครมาสอนบอกสอนให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยกรรมด้วกายกรรมรด้วยกรรมด้วยมโนกรรมอย่างนี้สอนการสะเปนสะปะไปตามเรื่องมีความรู้มีขอบเขตแค่ไหนก็สอนอยู่อย่างนั้นแค่นะั้นแม้แต่พวกนุ่น พวกสันชัยเนี่ยพวกนี้เป็น เ, เป็นปริพาชคน่ยสันชัยปริพาชคพวกนี้มีความรู้นะมีความรู้มีการมีการรู้ไปเรียนศาสตร์สาวาาัสคือวัตถุที่เป็นพันผันมีการถามตอบถามตอบถามตอบถตอบโดยขอ้อสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีการถา ม, มการตอบไปเรียนไปฝึกซ้อมกันจบรัชกาลบุตรเอยพระโมกข์รานเอ๋ยท่านเรียนจบสมัยนั้น ทำเพ่เตรียมอยู่ที่สำนักสัญชัยตั้งก็เรียนจบเรียนจบมาแล้วก็มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะไรมันเป็นการเอาชนะกันด้วยคําพูดด้วยวาจาคาพูดเท่านั้นแหละแต่มันก็ไม่เป็นสัจธรรมที่ทําให้คนคนนั้นเนเข้าขถึงธรรมด้วยอย่างแท้จริงนะพอจบพระจบนั้นก็ออกออกมาไปได้ฟังธรรมะจากพระอาสิชิพระสารีบุญเนี่ยได้ไปฟังธรรมจากพระอาสิชิธรรมเราได้เกิดแต่เหตุ ทำเหล่านั้นย่อมดับจากเหตุพระศาสดาย่อมแสดงธรรมทำอะไรเกิดตเหตุย่อมดับเพราะเหตุพระศาสดาแสดงธรรมอย่างนี้พระสมนณโคดมแสดงธรรมอย่างนี้พูดปุ๊บถึงเหตุถึงปัจจัยทันทีเลยเหตุก็เป็นเหตุที่ถูกต้องเป็นหลักของสัจจะสัจจะทำทั้งหลาย เกิดขึ gen, helmet, CAP, ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันมีตามเหตุตามปัจจัยของมันสอนก็สอนไปที่เหตุที่ปัจจัยอันนี้เป็นเหตุที่เกิดนี้อันนี้เป็นเหตุที่เกิดนี้ผลของนี้เป็นเห็นมาจากนี้ผลของนี้เป็นผลมาจากเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เหตุอันนี้เป็นผลที่เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพุทธเจ้าสอนสอนตามหลักความเป็นจริงที่เรียกว่าสัจจสัจจะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่ละเอียดลึกเข้าไปที่นํามากํากับ เพื่อเกิดคุณธรรมภายในหัวใจเช่นอย่างเช่อนอย่างมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยท่านท่านสอนเรื่องการท่านสอนเครื่องกายสอนเรื่องเวทนาสอนเรื่องจิตแล้วก็สอนเรื่องธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่ให้ดึงธรรมชาติและอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องกำกับ เป็นประกอเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมมากํากับใจที่เรียกว่าสติสติสติกับสัมมชัญญะสติความระลึกได้สัมมชัญาความรู้ตัวเอาสติมากํากับกายก็คือพิจารณากายสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นฐานตามรู้กายสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาดปิดเป็นฐานตามรู้เวทนาตามรู้จิต ตามพิจารณาจิตแล้วก็ตามรู้ธรรมพิจารณาธรรมจะพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามะจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตามก็ผลที่จะพึงปรากฏเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตดวงนั้นนี่ก็สอนหลักของสัจจ์นั่นแหละ<ม>เพราะกายก็เป็นสัจจ์แต่กายเป็นตัวผลเวทนาก็เป็นสัจจ์แต่เวทนาเป็นตัวผลจิตก็เป็นสัจจ์แต่จิตเป็นตัวผล ท่านสอนให้ดูผลผลอันนี้เป็นผลผลอันนี้เป็นผลอันนี้นะเป็นมาจากเหตุเพราะฉะนั้นท่านให้พิจารณาผลแล้วก็ย้อนไปเพื่อที่จะได้เห็นเหตุเหตุที่ทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธปรรมก็ตามที่เป็นนามธรรมก็ตามเกิดขึ้นจากอะนาจของตัณหา ปัหาเป็นเหตุที่ทียกว่าสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุพิจารณากายพิจารณาไปดูไปดูมาพิจารณาไปพิจารณามาเพื่อย้อนเข้าไปเห็นเหตุเมื่อเห็นเหตุเห็นทุกข์เห็นั่ว เ, เ, เห็นภัยมันก็เป็นเหตุถอนถอนจากการยึดมั่นถือมั่นในกายย้อนปี่เตุตัวเหตุที่แท้จริงก็คือตัวตัญหานี่แหละตัวความอยากนั่นแหละ นั่ที่พูดต้องแต่วเบื้องต้นตัง้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละตัวตัณหานี่แหละเป็นเหตุเป็นตัวสมุทายคือเหตุให้เกิดทุกข์เรามีกายกายเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เรามีเวทนาเวทนาเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เรามีสัญญาสังขารปิยญญานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์มันมีมันเป็นเกิดขึ้นโดยหลักโดยธรรมชาติของมันนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ทรงชีง้ให้พวกเรา ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นหลักของสัจธรรมซึ่งไม่มีบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในสมัยนั้นไม่มีใครที่สามารถมาขัดมาแย้งหลักสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงได้จนสามารถทําให้ลกสิทธิลูกหาเพระบรรดาภาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังจิตก็ขยับละเอียดขึ้นไปเรื่อละเอียดขึ้นไปเรื่อละเอียดขึ้นไปเรื่อยเห็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นในกาย ก็ถอนเหตุออกเหตุทั้งหลายบางพวกเหล่านั้นเมื่อเราเห็นมันก็ดับเมื่อเราเห็นแล้วมันก็ดับตัณหาที่จะเพิงเกิดเกิดขึ้นในขณะที่มันมายึดกายเมื่อเราเห็นมันก็ดับกายก็ศัพท์ว่ากายเพราะกายเป็นผลหรือเมื่อเราเห็นเหตุเราก็ดับเหตุเมื่อดับเหตุผลจากการยึดถือกายนั้นมันก็มันก็ดับไป เลยปล่อยกายให้ปล่อยกายให้ให้หยู่ตามภาวะความมีความเป็นอยู่ของกายที่ท่านเรียกว่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นในกายถ้าเราไม่ไปเห็นเหตุเราก็ยังยึดมั่นถึงมั่นในเหตุนั่นแหละอ่ายัางยึดมั่นถึงมัน่นว่ากายนี่เป็นเราเป็นของของเราเพราะกายมันเป็นตัวผลมันเกิดขึ้นมาจากเหตุเมื่อเราไปดับเหตุเมื่อเราไปเห็นเหตุก็คือเราไปละไปเว้นไปมดเหตุ เห็นการยึดมั่นถือมั่นในกายเพราะการยึดยึดมั่นถือมั่นในกายก็คือกายก็เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์นอกจากกายได้รับความทุกข์แล้วเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นในกายก็ทําให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาที่จิตอีกได้รับความทุกข์ทั้งกายได้รับความทุกข์ทั้งจิตอในเมื่อเราปล่อยกายให้เป็นไปตามภาวะของความทุกข์ของกองทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอนเป็นผลิตผลของกิเลส การตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยเราก็ปล่อยตามภาวะของมันะปล่อยตามภาวะของกายดูแลประคับประคองไปรู้จักหลักธรรมชาติของอันนี้อย่างรู้ข้อเท็จจริงของกายนี้เป็นการเข้ามารู้หลักของสัจธรรมถอนเหตุได้ถอด ถ, ถอนเหตุได้อผลก็อยู่อย่างเกอ้อเกเขื่อนเขืนเควงความแต่ก็ดูแลรักษารับผิดชอบไป เวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเป็นเป็นผลเป็นผลของเป็นอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสอย่างนี้เป็นนามธรรมเป็นอาการของใจเป็นผลผลของกิเลสกิเลสมันสร้างขันขึ้นมาเพื่อให้รูปประขันกับนามขันเนี่ยมีการตอบรับกันและก็เป็นสะพานเชื่อม เพื่อจะหาความสุขอ่าเศพสุขเข้าไปที่จิตอเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นสะพานเชื่อมเพื่อเพื่อจิตมันออกมารับรู้ภายนอกแล้วมันเสษสุขขนสุขเข้าไปที่จิตมันเห็นแก่ตัวจิตที่มีกิเลนี่มันเห็นแก่ตั ว, ต ม, ม, ตวมันจะหาแต่สิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบนั่นแหละเข้าไปสู่จิตเขาหมนมันจะไปพยายามเกณฑ์หมดนั่นแหละ เกณฑ์รูปเกณฑ์เวทนาเกณฑ์สัญญาเกณฑ์สังขารเกณฑ์วิญญาณให้เป็นของมันและให้เป็นไปตามใจของมันมันดักเลีในหัวใจของเราของท่านมันจะเกณฑ์ไปตามใจหวังของมันทั้งหมดด้วยเหตุที่เกณฑ์อยู่อย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุให้จิตดวงนั้นเนี่ยได้รับความทุกข์อยู่นือเนืองเนื่องจากว่าความเกณฑ์มันเป็นการไปฝ่าฝืนหลักของธรรมชาติเกณฑ์ให้สังขารเกณฑ์ให้ร่างกายเป็นนิจจัง เกณฑ์ให้ร hmm. ่างกายเป็นสุขขังเกณฑ์ใ hmm. ห้ร่างกายเป็นอัตตาแต่โดยที่แท้จริงร่างกายเป็นเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะต้องอยู่ในภาวะของอนิจจังคือเปลี่ยนทนอยู่ไม่ได้เป็นลักษณะของทุกขังต้องเปลี่ยนไปเป็นกิริยาให้เกิดอนิจจังทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนีใครไม่สามารถจะมาดัดแปลงมาบังคับบัญชาได้ท่านจึง ทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราจะต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคําว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีมันมีอยู่แต่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้เราทําความรู้ทําความเข้าใจหลักของธรรมชาตินีเป็นหลักเป็นลักษณะของสามันย ล, ลักษณะของรูปของนามทั่วๆไป ก็จะเป็นเป็นเหตุให้เรารู้ล่องรู้ทางที่จะทําให้เราพินิพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเกิดญาณทัศนะเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเพื่อเป็นการเข็ดลาเพื่อเป็นการถอดถอนตัวตันหาคือความดิ้นอยากความดิ้นรนความทะเยอทยานความอยากของใจนั่นแหละ ให้หมดไปจากใหญ่ให้ยอมรับโอ้สังขารร่างกายเป็นอย่างนีงง้เวทนาเนเช่นเดียวกับสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันอเพราะขันทั้งห้านี้เป็นผลผลของกิเลสเกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ในจิ <c oughs> แตแัองอยู่ภายในจิตของเราของท่านมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบเกิดขึ้นมาแล้วก็มีกิเลสติดข้องมาด้วยมีกิเลสเกี่ยวข้องมาด้วย อยูท่ทธเจ้าททรงสอนเอาหลักสัจจะต่างๆเหล่านี้มาสอนอืเพื่อให้เราได้ข้อประพฤติปฏิบัติย้อนไปดูตัวความอยากภายในจิตของตัวเองมันยึดมันยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณอย่างพี่นี้พิจารณาค้นคว้าไปจนเห็นเราจะเห็นความละเอียดของใจของเรากับงานที่เราทําละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยภายในหัวใจของเราอันนี้เป็นงานของเรา แต่งานต่างๆเหล่านี้เราจะดูให้เห็นได้โดยง่ายนะมันมันเห็นได้ง่ายนัแหละเนื่องจากว่ากิเลสมันเป็นธาตุของใจมันเป็นธาตุของกิเลสกิเลสมันดึงยื้อแย่งเอาไปทํางานให้กับมันทั้งหมดต้องทํางานเอาผลิตผลให้กับกิเลสทั้งหมดมันมันให้มันให้ไปแสวงหาให้มันทั้งหมดนั่นแหละหาผลรายได้ให้กับมันทั้งหมดแท้จริงเขาออกไปเขาก็ไม่ได้อะไรหนัก ก ja. ็ได้สองอย่างไปได้ความยินดีจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นสินั้นมาถ้าไม่ได้ยินดีก็ไปได้ความยินร้ายจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมายินดีก็ยึดเข้ามายินร้ายก็ผลักออกไปผลักออกไปมันก็ไม่ไปสิ่งเหล่านั้นมันมีตามเหตุตามปัจจัยของมันยึดเข้ามามันก็ไม่มาอ่าเพราะมันมีอยู่เป็นอยู่ตามปัจตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนอย่างร่างกายเนี่ย ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอย่างนี้แต่กิเลสมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายตเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาก็ทุกข์โอ้แก่พอแก่ลงมาก็ทุกข์ทุกข์ใจพอเจ็บพอเจ็บขึ้นมาก็ทุกข์โอ้ทุกข์ใจพอตายหรือใกล้ตายขึ้นมาก็ทุกข์โอ้ทุกข์ใจนี่คือผลิผลของกิเลสอันเกิดขึ้นจากอำนาจของความอยาก ที่เป็นผลิตผลของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตของเรากิริยาของความอยากเรารูไปาีิจิตของเราเราจะเห็นเราดูไปที่อื่นทําให้เห็นดอกตัณหามันมีอยู่ที่จิตตัณหามันมีอยู่ที่จิตกิริยาขอมันคือความอยากนอกจากอยากแล้วมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานมันพยายามดันออกไปหาสิ่งโน้ออกไปหาที่นี้มันดันจนได้มันผลักมันจนได้ความทะเยอทะยาน ท่านแปลว่าตัณหาคือความอยากความดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตคําว่าทะเยอทะยา น, นก็คือแสวงหาในเมื่อมันอยากแล้วก็มันดิ้นรนทะเยอทะยานแสวงหาอันความทุกข์สาเหตุมาจากความอยากแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาการแสวงหามันทุกข์ขนาดไหนเราคิดดูเราแสวงหาทรัพย์นี่มันทุกข์มากน้อยขนาดไหนอการแสวงหาทราพทัพย์ทุกข์ทุกข์มากไหมกว่าจะได้สิ่งเหล่า น, นั้นมา ตามต้องการกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาตามต้องการถ้าทํางานรับจ้างเป็นรายวันก็ก็จะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะมาแลกกับแรงงานที่เราควรจะได้วันละสองร้อวันละสามร้อยนี่มันทุกขนาดไหนทุกยากทุกลํบาบากนั่นแหละก็จะได้ตําแหน่งนู้นก็จะได้ยศนีนะ้เพื่อให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการเห็นไหม ความดิ่นรนทยอทยานแสวงหาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาแต่หากว่ามีความเพลินใจอยู่บ้างพอเป็นเครื่องมากรบมาเกลื่อนความทุกข์ยากลําลบากอายินดีบ้างพอใจบ้างอืก็เลยได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างไม่สุขอย่างเดียวให้ทุกข์ปนมาด้วยเพราะทุกข์ที่เรายินดีเราพอใจอันนี้ก็มันก็เป็นความทุกข์ทุกโดยหลักธรรมะ ชั้นละเอียดลึกเข้าไปอีกสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทระธนาก็ตามก็เป็นทุกที่ที่เียว่าทุกทุกขขันธ์ทุกขขันธ์ยึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณก็ถือว่าเป็นทุกขขันธ์ทุกขขันธ์คือความทุกข์อันเกิดขึ้นจากขันธ์นี่ที่เียว่าทุกสุบยอดทุกรูปยอดก็คือขันธ์ทั้งห้าเรามีขันธ์ทั้งห้าหัวใจของเรายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า หัวใจของเราจะจมแปรอยู่กับความทุกคือทุกจากการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาโรคพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณเพื่อเป็นการปล่อยปลอยเพื่อเป็นการวางการปล่อยการวางนั้นถ้าเราไม่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปทำความเข้าใจแล้วไม่มีโอกาสที่มันจะปล่อยได้ที่มันจะวางได้ มันยังคล่องคามันยังสงสัยอยู่ในนั้นแหละต่อเมื่อเราเข้าไปรู้เหตุเข้าไปรู้ปัจจัยแล้วก็เราถึงจะเบื่อหน่ายคลายจางเมือ่อเมื่อเบื่อหน่ายคลายจางจิตมันก็ถอนถอนออกมามันถอดออกมามันห่างออกมาแทนที่มันจะยึดมันก็ปล่อยเข้าไปเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางเมื่อเบื่อหน่ายคลายจางมันก็วิมุตต์คือหลุดคือพน้น คือหลุดคือพ้นถ้าไม่ปล่อยไม่วางมันก็ไม่หลุดมันก็ไม่พ้นเมื่อรู้เมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางก็เข้าถึงวิมุตถึงความหลุดพ้นได้เหมือนอย่างพระจุลบันถกนั่นแหละพราะทันเหตุเห็นโทษของกายก็เลิสลลสังเวทในกายเห็นว่ากายสกปรกโสโครกปฏิกูลโสโครบบุตรเจ้าทั้ให้พิจารณาถึงลักษณะความไม่เที่ยงของขันธ์ทั้งห้าก็พิจารณาไปตามรูปปณิมิต่ท่านแสดง ไม่นานไม่เนิ่นนานจิตดวงนี้ก็รู้สึกสำนึกตัวได้ขึ้นมาอย่างเต็มที่ละมัน่นละการยึดมั่นถึงมั่นด้วยอุปาทานในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาก็ถึงความมีมุดถึงความหลุดถึงความพ้นเพราะพร้อมด้วยอภินยาอภินยาก็คือความรู้ยิ่งนั่นแหละสามารถพลิกจิตได้ จิตดงเดียวคนคนเดียวเนี่ยสามารถเนรมิตให้เป็นพันๆได้อันนี้คือความแปลกปรลาดอัศจรรย์ความดบ ด, ดีความวิเศษวิโสของจิตเราปฏิบัติทมไปแล้วเรารู้เหตุรู้ปัจจัยละได้ถอนได้จากการยึดมั่นถือมั่นด้ยปาทฐานทำให้กิเลส ท, ทั้งหลายหมดสิ้นไปจากหัวใจอย่างเดียวก็พอแล้วก็ถือว่าพ้นทุกข์แล้วริเดศอภิญญา มันเป็นคุณสมบัติพิเศษอขออย่างเดียวขอให้เราพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่มีริดเ ด, ด็ไม่มีอภินยาเราก็ามีคุณค่าเท่ากันคือพ้นทุกร้อยเปอร์เซน์เท่าเทียมกันแต่ถ้าหากใครมีจิตมีนิสัยแห่งริดเด็ดอภิญญามันก็มีในใจดวงนั้นไม่สามารถจะปฏิเสธได้เพราะทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาตามอานาจกรรมที่เราเคยสังสมอบรมมาบางคน สังสมบอบรมมาเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวบางคนก็สังสมบอบรมมาขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาเพราะฤทธิ์เดชอภินญาเนี่ยมันสามารถไปทรมานคู่ต่อสู้ได้าสามารถไปทรมานคู่ต่อสู้ได้เช่นอย่งอางผู้ที่ต้องการฤทธิ์เดชอภิญญาพอเรามีฤทธิ์เดชอภิญญาเราก็ไปสามารถไปทรมานได้ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้ฤทธิเดชอภินญาท่านไปทรมานอุรุเวลาคัสปะเนี่ยต้องใช้ฤทธิเดชอภินญาเป็นร้อยรอยอย่างเป็นพันพันอย่างนะไปทรมานเพื่อที่จะน้อมน้าวจิตของอุรุเวลาคัสปะนี่ให้มายอมรับพระองค์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมในที่สุดอุรุเวลาคัสปะก็แพ้อ่าไปที่แรกก็ขอไปอยู่ในโรงไฟที่มีพญานาคมีพิษร้ายกาดอ่า ก็สามารถไปทรมานพญนาคจับพญานาคมาวงขนดลงในบาไดอุรุละคสปไปเห็นความเห็นความอัศจรรย์เห็นความมีฤทธิ์มีเดชโอ้พระสมณะโคดมนี่มีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นอาหารยึดเอาเฉยๆเลยว่าเจ้าของเป็นพระอรหันทรมานอย่างอื่นไปอีกวาราสุดท้ายนึ่งวันนั้นฝนตกน้ำท่วมเต็มไปหมดนะ เขโอ้ยวันนี้รัศมนาโคดมน้ำท่วมมารู้ถูกพัดพาจมหายตายไปไหนก็ไม่รู้หรอพาลูกศิษย์พาเือไปดูไปพระพุทธเจ้าท่านก็เดินจงกรมอยู่เสดเดินจงกรมอยู่ทําให้น้นํานี่กั้นตัวเป็นผนังแข็งขึ้นมาที่เดินจงกรมของพระองค์เนี่ยก็ต่ําลงไปเนี่ยน้ําไม่สามารถจะทะลักเข้าไปทับไปท่วมได้ท่านาอกวเดินจงกรมที่ฝุ่นคลุ้งอยู่เนี่ยะอพ้พาลูกศิษย์ไปเห็นอู้ เพราะสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากอ่คือปปนิ ม, มนตพระองค์ให้ไปฉันอย่างั้นเถอะไปนิมนต์ฟองให้ไปฉันงง น, น, มม น, ฉ น, นี่พระองค์ก็ดูอจิตของรูปเรขาคณิมันเริ่มอ่อนแล้วมันเริ่มอ่อนเพราะถูกทรมานด้วยฤทธิ์เดชอภิญญามาตลอดโอ้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาทุกสิ่งทุกอยา่างเนียสู้ไม่ได้สู้ท่านไม่ได้จิตใจมันเริ่มยอมเริ่มอ่อนแล้วลพุทธยาท่านก็เล็งตามตลอดเนี่ย แต่ตอนนี้ลงถึงที่สุดแล้วนะนะลงถึงลงถึงที่สุดแล้วพอไปขึ้นฝั่งนั้นนะ่ะพอไปขึ้นฝั่งบนบกเท่านั้นแหลกะก็เลยพูดเลยเนะี่ยอ่าเทศในอุรุเวลาคสปฟังเลยอุรุเวลาคสปเธอมีแต่สาคัญประโยชของเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงเนี่ยข้อปฏิบัติของเธอที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันต์อ่ามันไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เลย แม้แต่ข้อปฏิบัติข้อใดเพียงข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นเหตุให้เกิดความเป็นพระอรหันน์เธอก็ยังไม่รู้จักเธอจะเป็นพระอรหันได้อย่างไรเอาพอยซี่ใจดำถูกหัวเขาอ่อนยู่ลงกราปลกๆๆนั้นขอถึงพ ร, ปปพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกจากนั้นแล้วก็พาบริษัทบรญเดืนบวชตามพระองค์ทั้งหมดนี่ฤทธิเดชอภิญญามีประโยชน์อย่างนี้อแต่การบริสุทธิ์ของจิตนั่นคือจิตพ้นจากทุกข์ ทุกโทษเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงถึงความบริสุทธิ์สามารถชำระ ก, กิเลสให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นประเภทของพระอาหารหันต์ท่านจึงจำแนกชละพินโยพิสาม พ, พ, พ, พ, พิทัพปัตโตเตวิชโชสุขวิปัสสโกเนี่ยสุขวิปัสสโกนี่คือสามารถทำจิตให้พ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นพอ แต่บางคนมีนิสัยเพื่อวิชาสามปุเพนิวาสามสติญาณอาสวัคยญาณเป็นที่สุดบางคนก็ต้องการอภินยาหกมีฤทธิ์มีเดชแสดงฤทธิ์ได้อไรต่ออะไรได้รู้จิตของคนรู้จิตของสัตว์รู้ใจของสัตว์ดำดินบินบนได้สารพัดเนี่ชชนย่วทโชชลพิญโยอภินยาหก พ, พิสามิทัปปโต พร้อมด้วยปฏิสัมบรรลุกเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทา ย, ยานทั้งสี่รู้ภาษาของสัตว์รู้ดักใจสัตว์รู้ภาษาของสัตว์รู้ดับใจสัตว์หนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์จึงมีหลายหลายประเภทตามเจดิตตามนิสัยที่สั ง, ส, งสมอ บ, บรมมาแตกต่างกัน แต่ข้อสุดท้ายอย่างพวกเราเราไม่มีทิศไม่มีเดชไม่มีอะไรก็ขออย่างเดียวขอให้มันพนทุก ผ, ผลโทษจากวัฏสงสารซึ่งมันใ ห, ให้ผลเป็นเผ็ดแสบร้อนในหัวใจของเราซึ่งเป็นความทุกข์ที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาะไม่พึงนะพอยใจเรื่องการทุกคนอืข้อประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนอ่าให้ทำความสงบเพื่อจิตได้รับความสงบที่เรียกว่าสมาธิทําให้จิตตั้งมัน่น เมื่อกิจตั้งมั่นก็คือกิตมีพื้นมีรากมีฐานกิเลสมันยุ่ยแย่ดึงไปนู่นก็ไม่มันดึงไปนู่นไม่ได้ดึงไปนี้ไม่ได้ลากไปนู้นไม่ได้ลากไปนี้ไม่ได้ทําให้จิตตรงนั้นตั้งมัน่นนี่คือความสงบคือกิเลสสงบกิเลสสงบกิเลสยังไม่หมดแต่กิเลสสงบเอาตัวสติตัวนี้แหละมาเกรินจนทําให้จิตตรงนี้สงบมีสติกํากับมีสติแข็งกลา้าสติสามารถกั้นกระแสได้ การนกระแสของตันหามาให้ตันหามันลักเข้ามาดึงกิจตรงนี้เอาไปใช้เสร็จ แ, แล้วก็พิจารณาตักให้ขาดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําสมาธิและวให้เจริญวิปัสสนาเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำไม่ได้ยังไม่ได้สมาธิก็ทําไม่ได้สมาธิยังไม่รู้จักเดินปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาก็หัดเดินหัดพิจารณาเป็นการสร้างสมอุญรมคุณงามความดีเข้าสู่กิจใจ วันคืนล่วงไปเราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจแล้วก็อยู่บนเส้นทางแห่งความฉลาดการปฏิบัติทางนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อเกิดความฉลาดความฉลาดทางนี้เพื่อให้รอบรู้เท่าทันความเป็นมาความเป็นไปของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจของเราเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เราพยายามจะดึงออกชะออกล้างออกกาจัดออกจากหัวจิตหัวใจของเราตัวสิ่ง ที่เลวร้ายต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุภายเรายึดมั่นถึงมั่นในกายในเบทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเลยเป็นเหตุให้เรามีภพมีชาติต้องไปเกิดที่นู่นที่นี่ตามภพภพชาติที่ควรจะไปตามอรรถของกรรมที่มีเมื่อเกิดภพได้ชาติใดก็ตามและความทุกข์ก็ตามมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะรอบหนึ่งภพชาติหนึ่งงานที่เกิดมาอีกเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรอบหนึ่งอยู่อยงนั้นอีกละ ปัญญาวัฏฏะสงสารเนยืดยาวไปไม่มีจุดจบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตัดกิเลสนั่แหละอ่าวิบากกรรมทั้งหลายถึงจะสิ้นสุดลงวิบากทั้งหลายมันก็จะจํากัดจิตใจของเราไม่ได้จำกัดให้เราไปเกิดที่โน้นไม่ได้เกิดที่นี่ไม่ได้เนื่องจากเรารู้เราเข้าใจตามหลักสัจธรรมแล้วก็มีการสลัดมีการถอดมีการถอนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เป็นการขีดหลาบใ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ศึกษา ม, มาที่ใจถอนทุกข์ออกจากใจมาประสบความสุขความเจริญเป็นอยู่ก็สุกโตตายก็สุกโตไม่ต้องไปมีภพมีชาติไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปดิ้นรนทะเยธยานตามอำนาจของกิเลสที่มันพาเราดิ้นรนทะเยธยานเอาละพอสุขควรแก่เวลาพรุนะ่งนี้วันอุโบสถด้วย เดี๋ยวบางคนจะมาไม่ทันอาวันนี้ยุติแค่นี้